พุ๊บพันปั๊บเหมือนแมวกับหนูแมวเคยกลัวหนูไหมคุเห peas, mur, uh, ็นแมวมันเคยกลัวหนูหนูตัวโตมันกลัวไหมอ๋อคุณไม่มันไม่เคยกลัวหนูแมวนี่ไม่เคยกลัวเลยแม่ตัวเล็กๆมันก็ไม่เคยกลัวเนี่ยแมวตัวเล็กมันไม่เคยกลัวหนูเหมือนกันตัวเล็กๆนะคุณะตัวเล็กๆสมัยถึงสติแล้วนะสมมตินะโดนจับปุ๊บหนูมันตัวแรงมันวิ่งเต็มที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 คนมีธรรมะแล้วจีวาถึงจะเกลียดตัางนันก็น้อยที่สุดต้องคิดถึงกันคนไม่มีธรรมะไอ้นองทองเดียวกันคนยังเกลียดเนี่ยเป็นย่างไงพยายามเราเราจะไปตอบเขาเราพยายามเขาเขาไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนั้นจีวะพยายามเขาบ้างคําว่าตอนนี้คนจะลงนะจะเตือนเอาไว้เรื่องอาการเกิดดับมีความสำคัญ